เก่กับวนด้วย ก, บบวยกวยวามเป็นตัวเมืองนะนกับหลายเชื้อชาติในพุทธศาสนาบทิบัตมีความเชื่ออยู่แบบหนึง่งคือว่าถ้าได้เป็นการทำทานสูงสุดในตอนที่ร่างกายเสียชีวิตแล้วนะเขาก็มีมีความเชื่อว่าให้ร่างกายของเราที่จะเน่าเปื่อยผุพัง ไปตามสภาพสังขารเนี่ยแทนที่จะให้มันนอกป่วยผุพังไปเองแลก้ก็ถือว่าอาศัยการแร่เนื้อบ้างสับกระดูกบ้างนะไปโปรยตรงในให้กับแรงให้กับกาให้กับสัตว์ต่างๆได้กินกันเมือนกับคล้ายๆเป็นการทำทานครั้งสุดท้ายของชีวิตนะแม่ชีวิตจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตก็มีความตั้งใจเช่นนี้ก็บอกรูปบอกกรดานให้ ให้ได้เอาเร่างกายที่เสียชีวิตนี้ไปทําทานด้วยกันแรเนื้อสับกระดูกแล้วก็โยนหรือว่าอุปกรณ์เอาไว้ในบริเวณที่ที่แร้งมาชุมนุมกันมากินกันถือว่าคลให้เป็นศุนย์ศาลเป็นที่ชุมนุมของในการให้บริจากทานครั้งนี้นะในจีเบด ต, ตรงไหนที่มันพอจะมีแร้งอยู่เขาก็ปรุงทากันอยู่ แต่ส่วนไหนที่ไม่ทำที่ไม่มีแรงเขาก็คงไม่ได้ทำกันแล้วก็อาจจะเป็นการเผาเป็นอะไรไปก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะร่างกายของเราเองนะตอนมีชีวิตอยู่ก็ได้ทำทานได้รักษาศีลได้ภ า, าวนานะดยความที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาสุดท้ายเขาก็ยังเชื่อว่าแม้ร่างกายนี้จะดับไปแล้วแต่มันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อ ก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็เหมือนเป็นการมาเป็นบารมีต่อไปนะบ า, บารมีที่ทำในตอนที่มีชีวิตยังทำไม่ทางทำยังไม่ครบนะยังไม่หมดนะยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ก็ใส่ทำต่อไปในการตลาดร่างกายนะแต่จริงอาจจะรวมถึงการดำเนินทางใจต่อก็ได้นะผมโืยตรรมาก็เชื่อว่าถ้า ถ้าจิตที่แม้จิตที่ก่อนตายก็ยังเป็นจิตที่มีการเสียสละเป็นจิตที่เรียกว่าสระสละการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เนี่ยมันก็จะรวมไปถึงการที่ทำให้จิตใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาต้องกลับมาเป็นป้ายใจเกิดในภพภูมิต่อไปเพราะว่าการยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย ขอเราเองก็ดีย้ํมั่นในร่างกายของผู้อื่นก็ดีหรือสัรพัสัตว์อื่นก็ดีแล้วก็นํามาสร้างความทุกขนะ์นะนํามาสร้างความทุกข์เพราะว่าการเห็นว่ากายเป็นของเรานะก็เป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์จากการที่มันต้องแก่เจ็บตายไปนะไม่รวมถึงความทุกข์ที่ต้องเกิดจากการที่บําบัดดูแลรักษา บำรุงบำงเดอตกแต่งประดับสวยงามในร่างกายนี้ก็อาศัยเวลาอาศัยความคิดอาศัยอะไรต่างๆยแยะมากมายนะมีแค่ร่างกายนี้ค ว, วามสอบยาวานาคือแต่เราก็เสียเวลาในการในกรักษามันยแยะมากมายมากไม่รวมถึงการไปหลงยึดมั่นถือมั่นน ะ, ะหรือก็การไปเปรียบเทียบในร่างกายนี้ ร่างกายของคนื่นก็ดีอันนี้ก็ถ้าเราเห็นว่ากายนี้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามก็ดีหรือเห็นเป็นเพียงแค่วัตถุธาตุอย่างหนึน่ที่เราได้อาศัยอยู่ก็ดีนะเพื่อทำคุณงามความดีก็ดีนะถ้าเราวางใจแ่นี้การยึดมั่นถือมั่นมันจะน้อยลงไปแล้วก็ มันจะใช้กายเพป็นแค่การการได้ใช้ประโยชน์หรือว่าการเป็นเหมือนพาหนะะเหมือนเป็นพาหณะที่เราใช้เพียงเพศเป็นการเดินทางนะเหมือนกับเราใช้รถใช้เรือใช้เครื่องบินใช้พาหนะต่างๆเพียงเพื่อการเดินทางเท่านั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็สละได้นะหรือในขณะที่เดินทางแล้วก็เห็นว่าภาชนะ กับตัวตนของเราเองเป็นคนส่วนกันคดีถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นเครื่องที่ช่วยให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายไปทางหรือว่าไปสู่สิ่งที่มันดีงามมากขึ้นนะเราก็จะหลงยึดในกายนี้น้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่า นะเราก็รู้ว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์สุดท้ายมันก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปถ้าเราเห็นเช่นนี้นะักกายมันก็จะเป็นเพียงตักแต่ว่ากายนะไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเ พ, เ, พ เ, พเพียงแค่ก้อนธาตุอย่างหนึ่งล้วก็พยายามให้ดูนะให้มีสติดูรู้ไปในแง่นี้นะหรือถ้ามันยังดูรู้ ไปเองไม่ได้ก็อาศัยการพิจารณาพิจารณาในที่นี้อาจจะเหมือนคล้ายๆเป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาบ้างเลยอาศัยความคิดบ้างนะเป็นจิตตัปมยปัญญาเข้ามาช่วยนะก็ไม่เสียหายถ้าเราถ้าเรามีความตั้งใจนะบางทีปัญญามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองจากการภาวนานะเราก็อาศัยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาเข้ามาช่วยนะก็จะทาให้การจำคลายไปแห่ง ขาดยึมั่นถือมั่นในความกําหนัดในความยินดีในความหลงนะั่นแหะมันก็จะน้อยลงไปเองนะเราก็ใส่นะัมาช่วยก็ได้หรือเราก็ใส่การการอาศัยการฟังนะการคิดหรือว่าอย่างที่เราที่พูดในตอนตอน้นถ้าเราเห็นพิธีกรรมอยที่เขาทํากันเออในเมืองไทยเราไม่มีทําเช่นนั้นแต่ในทางทิเบตเขาทํากันตลาด ร่างกายสุดท้ายให้เป็นทานเมันก็เป็นสิ่งที่คิน่าคิดดีเนาะแทนที่เราจะปล่อยให้ร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาเราก็สละสละร่างกายนี้ไปเพื่อเป็นทานครั้งสุดท้ายก็ดีหรือบางคนอาจจะมีการประยุกก็ได้นะประยุกเช่นแม้เราไม่ได้ทำทานแบบที่เปรยบเราก็ประยุกในการถวายเรียกว่าอุทิศร่างกายเราให้กับ โรงพยาบาลให้กับนักศึกษาแพทย์นักเรียนแพทย์ก็ได้เอาไปศึกษาไปวิจัยเอาไปเรียกว่ามันก็เป็นการทำทานเหมือนกันหรือบางคนก็เรียกว่าศึกษาอวัยวะนะสุดท้ายก่อนจะตายไปหมอก็อาจจะมีการพยุงอะอวัยวะบางส่วนที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ต่อให้กับคนอื่นมันก็ได้เหมือนกัน แล้วก็เป็นการประยุกต์ได้เหมือนกันอันนี้ผมด้ือว่ามาก็คิดว่ามันก็เป็นในทํานองเดียวกันเป็นการพูดทิศในการสะระในร้างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ต่ อ, อสัตว์สัตว์ทั้งหลายต่อไปหรือถ้าบางคนอาจจะมีโอกาสเช่นนั้นก็ก็ถือการทําใจเอาล้วกันในช่วงวาระสุดท้ายของการเสียชีวิตก็ถือว่าทําใจไปทําใจว่าด่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราแล้ว ท้ายมันเน่าเน่าเกลือกพังไปใครจะเอาไปใช้อย่างไรใครจะไปทาประโยชน์อย่างไรหรือว่าใครจะเผาไปนะก็ไม่เป็นไรนะถือว่ากลับเืนสู่ธรรมชาติสู่ก้อนธาตุนะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นการเรียกว่าเราทำทั้งทา ง, งภายนอกแล้วก็ททั้งภายในไปด้วยนะมันก็จะเป็นการส่งเสริมให้จิตใจมั น, ม, นมันมีความยึดมั่น ถือมั่นน้อยลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็สิ่งที่ทำก็จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจโดยตรงเพราะว่าเมื่อจิตใจมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงไปอย่างเหนียวของกิเลสของตัณหาของอุปทานต่างๆมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยลงไปเรื่อยๆภพชาติมันก็สั้นลงไปเรื่อยๆนะการบินไหวใจเกิดล็สั้นลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะแม้ไม่ถึง บสุดท้ายของชีวิตก็มันก็จะเป็นทําให้วงจรของพบมองชาติมันท่านลงไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อไปในในพบภูมิต่อไปนะที่จริงพบภูมิก็คือเรื่องของจิตเนี่แหละจิตถ้ามันมีมการฝึกนในการสระในการย ก, กระดับจิตให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตมันก็คล้ายมันก็สะอาดขึ้นนะมันก็ บางจากการยึดมั่นถือมั่นบางจากกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆ อ, นะอินทรียพร ะ, ระมันก็แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆพนะที่จริงเมื่ออินทรียเมื่อภาร ะ, ระมันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยอุปาทานกิเลสตัณหาต่างๆมันก็คลายลงจางลงแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆตามกําลังของมันอันนี้คื อ, คอสิ่งที่ที่เราฝึกหัดกันนะจะเป็นการ นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่หรือเราจะนับถือพุทธศาสนาในนิกายใดก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นไปเพียงเป็นไปเพื่อการลดละเลิกนะจากกิเลสจากตัณหาจากอุปทานต่างๆแล้วมันก็เป็นแนวทางที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลผนิพพานเช่นเดียวกันเราก็ได้มาเดินทางดูดูพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ จากวัดจากาพุทธศาสนาต่างๆบ้างนะจากพุทธศิลป์ในถ้ำบ้างในพระอุโบสถวัดบารลัตงต่างๆบ้างหรือในวิถีชีวิตของผู้คนที่จะมีความศรัทธาในความเชื่อมั่นในพระรันตนตรัยที่เขายังใช้ชีวิตเช่นนั้นอยู่ก็ยังมีนะมันก็ควบคู่กับโลกใบ น, นี้แหละที่ได้มีความหลง เป็นความเป็นธรรมดาอยู่เหมือนกันนะมันเหมือนมีทั้งความมืดมีทั้งความสว่างออยู่ด้วยกันมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอาศัยรับความมืดเข้ามาสู่จิตใจหรือว่าเราจะอาศัยรับความสว่างถวัยทางปัญญาเข้ามาสู่จิตใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราสามารถเลือกได้นะเราแม่สังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็เป็นเป็นไปตาง ตามสังคมตามโลกแบบนี้มันก็คงเป็นเช่นนี้ตลอดกาลลนานแหละเราไม่สามารถหยุดโลกนี้ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถหยุดกิเลสตัณหาให้มันไม่มีขึ้นได้แต่เราสามารถดูเท่าทันนะเมื่อกิเลสตัณหามเกิดขึ้นที่จิตใจเราก็ละมันไปะละมันไปปล่อยมันไปนะแล้วก็น้อมนำสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่เป็นความสว่างสวัยทางปัญญา เขามาสู่จิตใจของเรานะอาศัยการดูอาศัยการฟังอาศัยการพิจารณาบ้างนะอาศัยการแค่ตระหนักรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นกับใจบ้างนะก็อาศัยแต่ละอย่างพวบคู่กันไปรวมถึงการที่การที่เราทําข้อวัดปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยมันก็ดนะีอย่างเช่นเรา สามารถทำทานได้ในตามการตามเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็ทำบ้างนะเรามีสินที่เรารักษาอาจจะแตกต่างกันสินของพระก็ดีสินของโยมก็ดีอาจจะแตกต่างโดยโดยข้อแทนะ่แท้จริงแล้วสินก็คือการตํารวมกายวาจาให้ให้เรียบร้อยให้เป็นปกติ น, นั่นะ้หละคือคือสินนะถ้าเรารู้จากสํารวมกายวาจาให ให้เป็นปกติอันนั้นก็คือมีศินหรือจะเรียกว่าสินที่เกิดจากการรู้เท่าทันสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมถึงใจด้วยอันนั้นก็เป็นสิลสินอย่างหนึง่งเช่นเดียวกันอันนั้นคือแล้วก็มีศินตรวเนี้ยคือทําให้กายวาจามีความเป็นปกติมันก็จะสมผลให้จิตใจเรามีความเป็นปกติอันนีน้หรือเรามีการภาวนาในชีวิตประจำวัน ภาวนาคือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะทางตามอุจมมตริ้นกายใจนะหรือว่าการมีรูปแบบในการภาวนาให้เกิดสติในการรู้กายในการรู้ใจน่แหละก็คือเราก็ทำาันแน่ไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นการเดินทางตามรอยที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบแนวทางตัวนี้ไว้ก็จะส่งผลให้เราเข้าถึง ลผลยิบผ่านด้กันเนาะก็ถือว่าเป็นการเดินทางทั้งภายนอกแล้วก็เป็นการเดินทางทั้งภายในดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเองฟังสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของเราแล้วก็ย้อนกลับมาดูมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เดินทางใน้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปนะ